สาธยายมาพูดออกจากปากของเราคิดใส่ใจตามเกิดความเห็นด้วยว่าสัมมาทิธฐิเห็นตามไม่มีตรงไหนแจ้งได้อย่างที่เราสาธยายไปแล้วก็มาฟังธรมความเห็นมารับรู้รับเห็นด้วยกันอย่ามับใไพแต่มีอยู่ในตำรับตำลาเป็นคำสอนของพระเจ้า